้าดร้าดีมีทำเลที่ทำงานเป็นประจาทุกสัตว์ทุกบุคคลอยู่ที่เฉยไม่ได้เพราะถ้าขันมั น, มนรบกวนวุ่นวายตลอดเวลาทั้งความหีความจ้าหายทั้งโรคภัยไข้เจ็บมีอยู่เป็นประจาในขัน แต่เรียกว่าขันหาความสงบพอตัวไม่ได้ก็มันผิดพวกขันเกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่โลกบรรจงตุกขงง์ขังและตางจินต้องมีความบกพร่องต้องการนิแปรกวนภายตัวอยู่สมอโลกจิตต้องทํางานกันไม่ว่าสัตว์มาบุคคลต้องทํางานเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อความเป็นอยู่ เพื่อชีวิตรอดไปเป็นมันๆจ น, นถึงอวัาวะของชีวิตนั้นๆโลกินมีเป็นปกติสุขโดยไม่ต้องฝ้นขวายอะไรไม่ได้เมื่อเป็นไปนั้นโลกินมีงานประจำตนนอกจากมีงานเป็นประจำตนแล้วยังต้องมีสถานที่ทำเล แย่งการทำงานนั้ น, น, น, นมนุษย์เก่ายู่สถานที่ไหนที่ใดก็มีที่ทำงานเป็นของตนและมีโรงงานเต็มที่กิดเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเพื่อทาดเปลือกหันเพื่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ทั่วๆไปนี่เป็นข้อเปรียบเทียบแล้วงานที่ โลกทำนั้นผลที่ถูกกลิดออกมาเดินความทมําเร็จแต่ความต้องการและทาาขันให้โลกเห็นอยู่อย่างชัดเจนที่โรงงานผลิตสินนั้นสินนั้นปรากฏขึ้นมาโรงงานนั้นผลิตสินนั้นสินนั้นปรากฏขึ้นมาจากโรงงานนั้นนั้น ที่นี่ทางพระพุทธศาสนาก็มีงานเป็นของตอนมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่จะเยียวยารักษาจิตใจของตนแล้วก็อ ย, ยิ่งนักบวชมีโรงงานเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นศิจารัสนาเป็นหลักฐานมรคมเป็นกฎเป็นเกินยิ่งกว่างานอื่นใดเพศอื่นใด ดยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงเจาะจึงทรงสั่งสอน ส, ส, ส, ส, ส, สถานที่ทํางานและงานอันเป็นความจําเป็นที่จะได้ผลเป็นที่พึงพอใจและความประสงค์ของผู้ต้องการผลอันปรุงหวังเกึงสั่งสอนสถานที่ที่อาศัยลงสั่งสอนงานที่ทําที่ถัก ไม่ผิดพลาดทรงสอนว่าให้อยู่ในสถานที่สงัดในป่าล่มไม้ชายเขาตามถ้าเหมืองผาอันไม่เป็นที่พุกนัางด้วยสิ่งต่างๆเพื่องานที่ทำนั้นจะได้เป็นไปเพื่อความราบรื่นงานสมความมุ่งหมาย งานที่ทำก็คือการพลิกแรลนนาตั้งแต่กานสมถักความสงบเย็นใจด้วยวิธีการนั้นๆเช่นสมาธิรำ40ข้อต้องแสดงไว่เพื่อความสงบประงับของจิตซึ่งเป็นตัวพุ่งสร้าง่นวายด้วยอำนาจแห่งโรคภายในได้แก่ยุทกันหาอาจว่าเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจิตใจ ให้สมบตัวลงไปด้วยอุบายวิธีแห่งสมมติฐานทำนั้นๆห็นอนาปานะสติเป็นต้นนี่คืองานขั้นเป็นขั้นเป็นต่อนีพูดในภาพทั่วๆไปในขนาดที่จะสับงานยุ่ยเลี่ยนงานในเวลาเช่นนั้นก็มี เช่นวิปัจนาการพิจารณาแยกเยะในสิ่งต่างๆด้รูธิบายของสติตัญญาอันเป็นความเฉลาดแห้มผมให้รู้ตามความเป็นจริงในทาตในขัคทั้งภายนอกภายในตลอดถึงโลกทั่วๆไปซึ่งอยู่ในวงแห่งการพิจารณาของปัญญาที่จะดึงดูรอบขอคิดนี้ทั้งนั้นและพาะอย่างยิ่งมัฏฐานตาัด ก็เกี่ยวเหมือนโรงงานอันนึนที่เราทั้งหลายเป็นผู้มุ่งต่องานและผลของงานได้มาสู่สถานที่นี้ที่นี้หัวหน้า ง, งานก็ได้แกี่ที่เป็นหัวหน้าวัดผู้ทํางานเพื่อเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวเป็นเพื่อเป็นสาระคุณจริงๆก็คือตัวของเราแต่ละองค์ละองค์ที่มาประพฤติปฏิบัติ เพื่อกจัดสิ่งไม่ดีทั้งหลายอยู่ภายหนวันหนึ่งวันหนึ่งเราทํางานด้วยอุบายการแนะนำสั่งสอนจากหัวหน้างานเป็นไปอย่างไรบ้างอันนี้เป็นข้อที่ควรคิดอย่างยิ่งสําหรับนัก บ, บวชเรางานเขาทุกรงงานเมื่อตั้งโรงงานขึ้นมาและผิดงานนั้นๆขึ้นมา ผลของงานย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างชาัดเจนแต่โรงงานของเราที่เต็มเพด้วยคนงานด้านแก่สมณาเพศสมนากิจอยู่ภายในวัดมีผลงานอย่างไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชาัดเจนภายในจิตใจของเราผลงานเช่นสมณะธรรมคือความสงบเย็นใจเป็นอย่างไรบ้าง อิปัสนาธรรมคือความรู้แจ่มเป็นลำดับในสภาวะธรรมทั้งหลายด้วยปัญญาของตปราบดขึ้นอย่างไรบ้างที่เป็นผลของงานทั้งสองประเภทคือสมถะธรรมและวิปัสนาธรรมนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดให้ถึงใจทุกๆูกทุกๆอกเนี่ยโรงงานสถานที่ทำงานกง ฐานเดินจรสถานที่เดินจบงมนองสมาธิภาวนางานก็คือสมาธิจิตวิปัสสนาสของเราโลกเขาทำงานเขามีผลขอ ง, งานปรากฏขึ้นมานักบวเราทำงานมีผลปรากฏอย่างไรบ้างขอให้พากันคิดอยากถึงใทถ้า ง, งานนี้ไม่ปรากฏ แกิดจิตใจของเราแล้วก็แสดงว่าเรานิ่เจ้งปฏิวัติทางานไม่เห็นผลมีประโยชน์อะไรขายหน้าเปล่าๆตั้งโรงงานขึ้นมาทั้งโรงซึ่งิเปืองไปกี่ล้านเงนแล้วทำงานลงไปไม่เห็นผลของงานเลยทำไมโรงงานนั้นๆจะไม่ล่มจมต้องล่มจมตัวไม่ต้องสมใจ นี่สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่อบรมเรี่ยกพรโรงงานเราทั้งหลายแต่ละท่านและท่านเป็นผู้ทำงานในหน้าที่ของพระมีศาสดาาบุมเองเป็นผู้วางโครงการทั้งหมดโดยถูกต้องแั่นยงดังธรรมท่านว่าสัวขาต่าง ตราบไม่ชอบแล้วทุกสิจงทุอย่างวิญาณิปธรรมพร้อมอยู่เสมอที่จะยังผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามสภาธวธรรมนั้นได้รับเป็นที่เปื้อนปอดัยและทั้งสองประการคืเอเหตุได้แก่การดําเนินของเราและผลที่เกิดขึ้นจากการดาเนินของเราในทางสำนักจิตสำนักธรรมนี้เป็นอย่างไรบ้าง หากยังไม่ปรากฏผลก็แสดงว่านี่เราเริ่มเหลวไหลไปโดยลำดับลาดนะับทุกรูปทุกหนักดีไม่ดีเหลีวไหลจนกระทั่งถึงหัวหน้างานว่าการสั่งสอนธรรมะนั้นเป็นโมฆะธรรมหาสาระไม่ได้หากว่าการตั่งสอนนี้เป็นธรรมมาสาระแล้วผู้ปฏิบัติการทำไมถึงไม่เห็นผล มันก็ต้องสอบแสดงมาถึงหัวหน้าอีกวหน้าะแต่นี้ได้แนะนําสั่งสอนหมุช่อมเติมอกเกนิมใจเพื่อความแน่ใจว่าไม่ผิดในวิธีการที่สั่งสอนทุกแง่ทุกมนมทั้งเหตุและผลเพราะได้ดัเนินมาแล้วอย่างโชคโชตไม่สงสัยทั้งการปฏิบัติแต่ตเกียรตกายล้มลุกคูกครามมีตั้งแต่ภาคปฏิบัติอันเป็นครูประจำสอนต่อเนและแ เป็นอันดับต่อมาที่จะต้องแนะนำกั่งสอนหนู่เพื่อโดยวิธีการที่ตนดำเนินมาผิดหรือถูก ป, ประการใดเป็นภู้ริการของตนและยังนำมาเป็นภู้บริการของหมู่เพื่ อ, ด, อด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่สงสัยทั้งเหตุและผลที่ตนได้ดาเนินมาดยเหตุนี้หมู่คว่นควรจะพิจารณาให้ดียานอนใจ อย่าสงสัยเรื่องอะไรในโลกอันนิจจังทุกขณาตาอันเต็มไปด้วยป่ายครับความเกิดตายซึ่งเต็มไปด้วยความทุกข์ครุขเข้ากันอย่างนี้ไม่มีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ไม่เฉพาะธรรมะตธรรมที่จะเกิดขึ้นเป็นผลงานของเราผู้ปฏิบัติอยู่ในโรงงานนี้และเราซึ่งเป็นเจ้าตัวการตรงงานนี้เท่านั้นนี่เป็นสําคัญเราให้งานนี้สําเร็จ งานนี้ไม่สำเร็จเหลวไหลนักปฏิบัติเราพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพศก็พร้อมเป็นวัตถุสมบัติหมดภาในตัวของเราหากจะวิบัติก็คือสติวิบัติปัญญาวิบั ต, บ ต, บติสิ่งเหล่วนี้เป็นสิ่งที่ฟื้นได้กัดเปลี่ยนได้ทําให้ฉลาดได้พระพุทธเ จ, จ้าจินสอน ให้ออกหลบให้เห็นผลงานของตนที่ปฏิบัติปฏิบัติงานไม่เห็นผลงานเลยแล้วเหลวไหลที่สุดแล้วนั่งบวชเหลี้ยวไหลดูไม่ได้เราแต่ละรายไหลเหลี้ยวไหลดูได้อย่างไรไม่อภัอยเจ้าของหรือนะเพื่อความพ้นทุกข์แท้ๆที่กล้าเข้ามาสู่วงศาสนาด้วยความเป็นพัง และหน้าที่ของเราการงานของเราเป็นงานที่เลือดกระสดดตามทางจักรประดานี้แค่แล้วทําไมจะจะกาถึงงานเหลือไหลผลจากขาดกันกับธรรมขาดกันกับหลักศาสนานอกจากขาดกันกับลักศาสนาแล้วยังจะเป็นข่าศึกต่อศาสนาและเป็นข้าศิกต่อเราด้วยดีเรียกไม่ได้อันใดที่เป็นที่มงคลจะจะเรา ก็คือวิธีการนำหนึ่ตามหลักธรรมเอาเป็นก็เป็นตายของตายในโลกนี้มีป่าช้าเป็นประมุขอย่าว่าแต่เราอย่างเดียวเลยโลกทั้งโลกขึ้นชื่อว่าสัตว์สังขานแล้วต้องมีการเกิดการดับการลม้มการตายแประถานที่เรามีแต่ตัดห้าของตัดของบุคคลก่อนที่จะตายมีดิ้นดนคูนกับวายเจึงกระชั่งไปไม่ได้แล้วค่อยอมตายไม่ใช่กองทุกข์จะเป็นอะไร เราสงสัยอะไรในโลกแห่งกระทะที่ครอบทิสะเราลึดทอดเราอยู่เหมือนกับเนื้อกับปลาเวลานี้ด้วยความทุกข์ตา่างๆเราสงสัยอะไรก็มีทางเดียวที่จะกระโดดให้รอดพ้นไปได้จากกองสุนทองไยคือราคตินาตูสักตินา้วกติน า, นาเป็นต้นนี้เท่านั้นเป็นทางที่เอเป็นสถานที่เกษม เป็นธรรมที่เลื่อนพันธกิตใจที่จะพาให้ห้ามพ้นไปได้เึงความปลอดภัยไร้ทุกข์โดยปราศากทั้งหวงอ่นส่งฝากเอาให้ถึงใจนะการปฏิบัติอย่าท้อต่ออ่อนแอไม่มีผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นจากความท้อต่ออ่อนแอความท้อแท้หรือไหลผลจะเกิดขึ้นเพราะความขยันหมั่นเพียรความมุสาพยายามจะพ้อย่างยิ่งอธิบายทั้งสิ้ คือฉันทะพอใจในอดในธรรมเพื่อความพ้นทุกข์นี่อย่างเดียวเท่านั้นไม่พอใจกับสิ่งอื่นใดวิริยาเพียนเพื่อความพ้นทุกข์เพราะเราเคยจมอยู่ในทุกมาไม่เป็นที่งสงสัยแล้วกระจับใจทุกข์ยิตาให้มีความรักความใฝ่ใจในงานของตนอยู่เสมอวิมังสาจะทําอะไรๆให้คิดให้อ่านใจตรง่าสับแต่ว่าทําให้มีความจงใจคือสติ ติดแนบไปด้วยปัญญาพิจนาท้าส่วนเสมอนี่คืองานเพื่อความบุจโกนอิทธิบาทแปล ว, ว่าแดนแห่งความสำเร็จแต่เราโยกไม่มีงานแดนใดที่จะถูกต้องแม่นยำและเหมาะสมยิ่งกว่าอิธิบาททั้งสีอันเป็นแดนสำเร็จนี้ไปได้เลยได้เวลา ด, ด, ด, ด, ดีฮ <have> ัฟฟ์ฟองนะดีฮั